ขออนุญาตขอองค์การไม่เห็นด้วยนะ <c oughs> แล้วบางวัดเขาก็ต้องแยกนะวัดส่วนมาก <c oughs> ผู้หญิงนั่งข้างหนึ่งผู้ชายนั่งข้างหนึ่งอะไรยเงี้ยที่สุรินนี่ไม่มีเลย <c oughs> ใครมาก่อนนั่งหน้ากล <c oughs> ับข้างกับคนกรุงเทพนะคนกรุงเทพใครมาก่อนนั่งหลังน <c oughs> คนสุรินจะมาเรียนธรรมะเนี่ยใครมาก่อนนั่งหน้าเลยผู้หญิงผู้ชายเด็กอะไร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 นหลังๆครูบาอาจารย์ท่านทิ้งหมดนะพอท่านแก่ขึ้นท่านสู้ไม่ไหวคนในสอนยากก็ทิ้งไปก่อนเอาไว้ค่อยไปเรียนกับพระรีานเนาะศา ส, สนานี้คงไม่ทันลนะพวกเด็กๆ เ, เรียนง่ายหน่อยเด็กมันไม่ดื้อเด็กนะมันมีใจที่เปิดกว้างในการเรียนรู้พวกเด็กๆมันไม่ค่อยรู้อะไรมา ก, ก่อนมันเปิดกว้างยันเด็กเรียนกรรมฐ า, านนะง่ายกว่าผู้ใหญ่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 ตำรับตำรามามากมายเรียนอภิธ o g อภิธรรมเรียนอะไรมาเยอะแยะเลยพมาฟังหลวงพ่อจ น, จนจิตตื่นขึ้นมาเนี่ยความรู้ความเข้าใจันเปลี่ยนไปหมดเลยการเรียนนี่ง่ายกว่าเก่าเยอะเลยมันเรียนโดยการเห็นสภาวะจริงๆแล้ง่ายญาติโยมจำนวนมากนะมาเรียนกับหลวงพ่อบางคนไม่เคยมาหรอกในเวลาไม่กี่วันนะใจก็ตื่นขึ้นมา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 เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทำงานไม่นานใช้เวลาไม่นานปัญญามก็เกิดแล้วตัวตอนอะไรไม่มีจริงหรอกมีคนมาส่งกันบ้านหลังๆนะเริ่มเห็นเยอะเลยว่าตัวเราไม่มีถ้าเห็นจนใจยอมรับความจริงได้ก็ได้โสดาแล้วไม่ได้ยากเท่าที่คิดนะพวกเราไปวาดภาพพระรยะบุคคลไว้ผิดมนุษย์มานามันเยยากมาก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 ไมด้ถามพระพุทธเจ้าว่าพาหิยะเนี่ยเป็นครว่าต์เป็นคฤุหัตหรือว่าเป็นควรจะเรียกว่าเป็นสมณะควรจะเรียกว่าเป็นภิกษุควรจะเรียกว่าเป็นพราหม์ควรจะเรียกว่าอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าพาหิยะเป็นพระอรหันต์สมควรเรียกว่าเป็นสมณะเป็นภิกษุเป็นพรามณ์ได้โดยเนื้อแท้ของท่านเองไม่ต้องบวชงั้นกระดูกก็เอาไปใส่เจดีย์ไว้นะ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 แต่เขาปิ๊งขึ้นมาได้เพราะว่าเขาเจริญสติในชีวิตประจําวันมามากแล้วคอยรู้สึกรู้สึกไปนะแต่ว่าสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นได้หมายถึงว่าเราเจริญสติในชีวิตประจําวันจนช่ําชองนะมานั่งรู้นั่งดูดูกายดูใจดูกายดูใจไปถึงจุดซึ่งมันสมควรแก่ทำแล้วจิตมันก็หลุดขึ้นเป็นเองจิต ม, มันหลุดพ้ น, ดพนขึ้นมาหลุดพ้นครั้งแรกก็เป็นพระโสดาบันนะยะละ สัง่งยชดสาตัวหลุดพ้นครั้งที่สองก็เป็นพระสกทาคามีกิเลสจะเบาบางลงใจจะตั้งมั่นมากขึ้นใจจะไหลตามกิเลสไปน้อยลงเรียกว่ามีสมาธิปานกลางหลุดครั้งที่สนีเป็นพระนาคามีใจจะไม่ลหลงไหลตามโลกออกไปอีกละพระโสดานียังหลงโลกนะหลงหล ง, ล ง, ลงออกข้างนอกไปพระสกทาคานะี่ใจตั้งมั่นมากขึ้นหลงน้อยลงออกไปน้อยลง